ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت غ ف ر لنا وترحمنا لن ك و ن ن من الخاسرين اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم آ ت ن ف و س ن ا ت ق و ه ا وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها ب ن ا ا ت ن ا في الدنيا ح س ن وفي الآخرة อาสส น, นะตะวะกินะอาซาบะน้าอัลฮัมดุลิลลาฮฺอันครับยังอยู่ในสัปดาห์แรกของปีใหม่นะครับ <Yeah. S 1> ยังไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับจริงๆแล้วปีใหม่หรือเดือนใหม่วันใหม่ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากไปกว่า มันเดือนปีที่อัลลอฮ์สุบไพร์ตะ阿สร้างมานะครับปีใหม่มันก็มีทุกปีนั่นแหละนะพอถึงปีใหม่ปีหนึ่งเราก็แก่ไปอีกปีหนึ่ ง, นะงจริงๆแล้วเวลาถึงปีใหม่นี่ไม่รู้จะดีใจหรือจะเสียใจดี<笑>ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะทุกข์ใจเพราะยิ่งพอถึงปีใหม่ก็ยิ่งใกล้จะเข้าครูโบมันเข้าไปทุกทีนะครับอันนี้คือ บางทีพลิกมุมมองเราก็จะได้บทเรียนต่างๆนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้ทุกวันนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงในเชิงศาสนาในเชิงบทบัญญัตินี่ไม่ได้ไม่ได้มีบทบัญญัติใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับปีใหม่นะครับแต่ว่าในเชิงของการบริหารจัด ก, การอันนี้เราอาจจะคุยได้ดวยวในเชิง การบริหารจัด ก, การชีวิตหรือนักธุรกิจนักธุรกิจคนที่ทํามาค้าขายเขาก็จะมีการวางแผนการทบทวนว่าปีนี้จะเอายังไงจะทําอะไระชีวิตของเราเราอยังไงอย่างไงเราก็ต้องอยู่ในโลกตัวนี้นะครับต้องอาศัยปฏิทินต้องอาศัยวันต้องอาศัยเดือนต้องอาศัยปีในการดูแลจัด ก, การซึ่งมุสลิม ควรนะคู่ควรต่อการวางแผนม า, มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระเนี่ยจะต้องรู้จักวางแผนเราคงจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เอาชนะตัวเองก่อนเอาชนะตัวเองในการวางแผนชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ดีก่อนเอาละ่ะโอเคละ่ะเราอาจจะไปพึ่ง ความรู้ของคนอื่นในการมาวางแผนตัวเองก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่มีความรู้ของตัวเองหรือเราเคยมีแต่ว่าเราลืมมันไปเราไม่ได้ใช้มันจนกระทั่งคนอื่นมาเอาความรู้ของเราแล้วเขาเอาไปใช้ได้ดีกว่าเราก็เราก็กลับไปเอาจากเขาใหม่อีกทีหนึง่งก็ไม่มีปัญหานะครับความรู้เป็นของอัลล์ไม่มีสังกัดไม่มีลิขสิ์ใดๆทั้งสิ้นเราจะใช้ความรู้ของใครในการ เพื่อพัฒนาตัวเองในเรื่องของดุนยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดุนยาซึ่งมันไม่ม ไ, ดมได้เกี่ยวข้องกับอาครัตหรือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้อาครัตของเรานั้นดีขึ้นจำเป็นมากเลยนะครับมุสลิมจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบในตัวเองมีนิซามเป็นเป็นคนที่มีระเบียบมุนะมนัซซัมนะต้องทำยังไงต้องฝึกตัวเองอยังไงจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึง แนวคิดของอิสลามกับการบริหารจัดการนี่มันมีเยอะพูดได้พูดได้ดไดแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าพวกเราจะเอาไปใช้หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่การละหมาดเห็นไหมบุกคลอิสลามข้อที่สองมันสอนให้เราบริหารจัดการนะจริงๆอัลกิมิศสลาตัลิดูลูกิชัมซอิล า, ากัสกิลไลลิวกุรานัลฟจัอัลอละ ส, สอนให้เราบริหารจัดการเวลาด้วยการละหมาด ละไมาพหาาเวลามนมีเวลาไม่รออินนัส صلاة كانت على المؤمنين ك ت า ب موقوتة ละหมาดมีเวลาเฉพาะไหมนี่คือสอนบริหารเวลาตอนเชา้าบริหารยังไงตอนเที่ยงบ่ายรุ่นคนก็อิสลามข้อที่สองจากาศรข้อที่สองก็คือละหมาดจากะจาะกาศเป็นการบริหารค่าใช้จ่าย เป็นการบริหารรายได้เป็นการบริหารนกหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการการเงินการทำธุรกรรมจะอยู่ในหมวดประกาศหมดเลยลามสอนให้เรารู้จักบริหารจัด ก, การสุภานัลนแหมุสลิมเหมือนกับว่าอยู่สบายมากเลยไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะอัลลอฮ์สอนหมดจะตื่นเวลาไหนจะนอนเวลาไหนอัลลอฮ์บอกหมดแต่ไม่ยอมทาไม่ยอมทาตามที่อัลลอ์บอก ขนาดอาลัลลอฮฺสอนสั่งเทรนอบรมให้เราทําตามที่อลัลลอฮฺบอกไม่อยอมทาตามสอนเรื่องเวลาก็สอนด้วยละมาธสอนเรื่องเงินสอนเรื่องธุรกิจสอนเรื่องธุรกรรมสอนเรื่องบริจาคก็สอนด้วยเหมือนกันสองจุดห้านี่สองจุดห้านี่เอามาจากไหนอลัลลอฮฺสอนน่ยสองจุดห้าอร์ซนน่ะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไรสองจุดหเปอร์ สุภานั่นหรอผมมันนั่นคิดอยู่ไอ้ทำไมลาหน้ามากเลยในในเรื่องของการที่จะให้เรารู้จักบริหารตัวเองบริหารสุขภาพ อ, อะไรบริหารสุขภาพหรือสิอดบริหารสุขภาพบริหารกระเปาะบริหา ร, <laughs> ร, หาร <laughs> พอถึงเดือนรอมฎอนทุกคนจะต้องบริหารสุขภาพของตัวเองต้องเข้าอู่สุภานัลนห เพราะฉะนั้นปีใหม่จะหยุดหรือไม่หยุดจะปิดหรือไม่ปิดจะดีหรือไม่อะไรก็แล้วแต่ขอให้ใช้ประโยชน์เถอะนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นวันของลอส์มันก็เป็นปีของลอส์มันเป็นเดือนของลอส์หน้าที่ของเราเวลาที่เราพูดถึงวันเดือนปีที่อลัอลอลอฮฺให้กําหนดมาให้เราก็คือจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไง ت بارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره สองอย่างที่เราต้องได้จากวันเวลาที่อัลลอฮฺให้กับเราก็คืออัญแจซได้บทเรียนเอาชูกได้ขอบคุณ จะขอบคุณยังไงปีหนึ่งผ่านไปอขอบคุณเรือยงได้ทำอะไรไปในปีที่แล้วได้บทเรียนอะไรบ้างจากชีวิตที่ผ่านไปหนึ่งปีความผิดของเราความดีของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องต้องเอามาคิดนะครับกับเรื่องต่างๆพวกนี้เป็นน้องครับวันเวลาฤดูกาลก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนตอนนี้สุบฮานลละลอห์นี่เป็นอะไรที่ เรายิ่งคิดเรายิ่งมั่นใจในความสามารถของร่องสุคามตอางๆบ้านเราแห้งแล้งไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่อีกที่หนึ่งข้ามภูเขาไปอีกลูกหนึ่งอะตอนนี้กำลังท่วมใหญ่เป็นอะไรที่แปลกมากๆเนี่ยประเทศเดียวกันยังคนละแบบเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนละทวิตนะช่วงนี้พี่น้องกำลังเดือดร้อนกันอยู่นะครับที่ตั้งแต่นครสุราชลงมาจนถึงพัทลุงปัตตานีนรายาาสามจังหวัด น้ำท่วมนะักถ้านะครับได้ช่วยหรืออะไรบ้างก็หยิบยื่นนะครับช้อนลอกสมบูรณ์แลนะครับนี่คือชีวิตของเรานะครับเวลาที่เขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเขาเวลาที่เขาเดือดร้อนเวลาที่เราเดือดร้อนเขาก็ช่วยเรานะครับอย่างนี้นแหละครับทำดูลินละนะครับมีโอกาสได้ช่วยนะดีกว่าไม่มีโอกาสได้ทําอะไรเลยนะอ่ะ Suratul ล u r s a l a h สุรส้อนนี้เรามีเนื้อหาที่ไม่ได้แตกต่างไปจากสุระออื่นมากนะครับก็าพูดถึงวันเกียร ต, ติเป็นอีกหนึ่งบริบทหรือว่าหนึ่งรูปแบบการนำเสนอที่อาจจะแตกต่างไปจากสุระอนอื่นแต่ว่าเนื้อหาของมันก็คือเน้นในเรื่องของวันเกียรติและก็ให้มนุษย์นั้นศรัทธาต่อวันอาคราตนั่นเองครับวันนี้เราจะอ่านตั้งแต่อายัดที่ ๙๕ก่อนนะครับลนยดีอ <c oughs> <c oughs> ุบิลลาฮิมินัชตนมลุ สบงุ่มอัลอาอิรินค نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ف َ ج َ عل ن ั่ ف ي ีกา ر า ك ิมคี إ ิลาก ر ดาร์มักลุมฟาคัดารุน่าฟา มุคด ألم نجعل <ت ص في ق> الأرض ك ف ا <ت ص في ق> أحياء ج َ علنا فيها رواصي شام خ ا ل وأسقيناكم อัลลอฮฺมุรลบอกแล้วนะครับว่าหมายถึงลมนะครับอัลลอฮฺต้าลต้องการที่จะสื่อสารกับบรรดามนุษย์และให้เห็นถึงความสำคัญความร้ายแรงของวันเกียร์เพราะองค์จึงสาบานกับลมกับมลลัยกา อัลลอฮฺอักบารลมเนี่ยมีทั้งลมที่นำไหยาะมาให้หรือนําอาซาบมาให้กับลมที่นำเนม้อมาให้ครับเหมือนกับฝนก็เหมือนกันฝนที่นํำรหศมีมาให้กับฝนที่เป็นอาซาบมาให้นะครับลมที่นําอาซาบมาให้ก็คือฟัลลาซิฟาท อสฟะในขณะที่ลมที่นำราำมมตมาให้ก็คือวั น, นชีรตินชร่นนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ถูกพูดถึงในอัลกุรอานอัลลอฮ์สุบฮาวตะาาในหลายที่นะครับซึ่งวิชาเกี่ยวกับลมเนี่ยถ้าเราจะไปเรียนในสมัยนี้โอ้โหผมว่าเขาเรียกวิชาอะไรนะอะไรนะ ปุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมอะเรอย่างงั้นจริงเหปเปรียว่าอะไรวิชามันมีชื่อเรียกมันม้ยมันเป็นอะไรที่หมหาศา์มากใช่ไหมมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะตะวันออกเชียงใต้ตะวันตกอะไรใช่มันจะมีแหล่งความกดอากาศอะไรต่างๆนานาเนี่ยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้าการควบคุมของล่องสุภาวตะลา่นทั้งสิน้นอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ ทุกครั้งที่เราเรียนเรื่องเกียรมัดเนี่ยเรามักจะเจอแง่มุมทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องเสมอในโซลเกียรมัดที่เราอ่านไปแล้วโซลเกียรมัดที่เราตับเซียบไปแล้วก่อนหน้านี้สองโซลใช่ไหมครับมีอยู่สามอย่างที่พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่ผมเคยบอกว่าบางครั้งการที่เราเรียนวิทยาศาสตร์จะทําให้เรามั่นใจต่อการเกิดเกียรมัดมากขึ้นการพูดถึงการ ความปรีชาหรือความสามารถของล่องสมเอาตะลาที่เราเห็นในโลกโดุนยาเนี่ยมันจะทําให้เรามั่นใจต่อการเกิดขึ้นของวันแกนมัดได้ดีขึ้นนี่คือวิธีหนึ่งที่ล่ลงสมเอาะตะลาใช้ในการด่าว่ามนุษย์ให้สํานึกให้มีความตระหนักต่อวันแกนมัดโดยการยกรูบูเบียของพระองค์โดยการแสดงถึงรูบูบียความสามารถของพระองค์ในการสร้างในการกําหนดในการทําทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกโดุนยานี้ซึ่งมนุษย์ทําเองไม่ได้ ถ้าอ th ัลลฮ์ุบฮานอสามารถที่ทสิ่งต่างๆที่มันใหญ่โตในโลกดุนยา t ี i ได้แล้วรักภาษาอะไรกับถ้าพระองค์จะเอาอีกโลกหนึ่งในวันอคราษฎรมาทดแทนโลกดุนยา t h ซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนในอายัดนี้ในอายัดที่เราที่เราจะเรียนวันนี้นะครับอัลลอ์ุบฮานตอนะครับว่าวลุนยุมาอิซิลลมคัสซินกหน้านี้ที่อัลล์อลบอกว่าเมื่ออะไรนะ ดวงดาวดับแสงเมื่อท้องฟ้าแตกออกเมื่อบรรดารอซูลถูกรวบรวมถูกชุมนุมไว้ในที่เดียวกันชุมนุมเพื่ออะไรชุมนุมเพื่อทําการพิพากษาพวกเขากับอุมมะของพวกเขานะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยวัยลุนยามาอิจินลิลมุคซิดีนวันที่ a l l a เอาบรนดารอซูลกับอุหมะของพวกเขามาชุมนุมทั้งหมดเนี่ยฮายนะจะเกิดขึ้นกับบรรดาคนที่ มุ ค, คัจจีบินใครคือมุคัจจีบินอัมุคัจจีบินก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดาผู้ที่อ้างอ้างหรือบอกปฏินะครับเวลาที่รอซูลมาบอกว่าวันกิยามัตมีจริงอัลลอฮ์มีจริงโกหกเจ้าพูดโกหกอันนี้แหละคือความหมายคําว่ามุคัจจีบินคนที่พูดว่ารอสูลโกหกภาษาอับจะเรียกว่าแคด คนที่บอกคนอื่นว่าคนคนนั้นเป็นพูดเป็นคนพูดโกหกนะสมมุตินายเอหรือนายอลิฟก็ได้นายอลิฟกับนายบอนายบ้าอลิฟบอกนะครับนายกอลนายคอยเราเอาอลิฟกับบาดีกว่านะนายอลิฟกับนายบ้านายอลิฟมันบอกว่านี่วันนี้ฝนตกนะนายบาบอกว่าโกหกเธอพูดโกหก เราเรียกนายบาว่าโมแกซิบเข้าใจไหมเราเรียกนายบาว่าเป็นคนมุกซิบเพราะนายบาบอกว่านายอลิฟนั้นคาซิบเข้าใจไหมอันนี้เป็นวิชานหูในภาษาอาหรับนะครับแต่เวลาที่เราพูดถึงอัลมแกซิบมกเราเจอเยอะมากในอัลกุรอานผมต้องการที่จะให้เราจำเอาไว้ เวลาที่เราเจอคำนี้ในะี่ยรคนอ่านจะได้เข้าใจว่าอันลูกแคซีบี้นี่หมายถึงอะไรไม่ใช่คนพูดโกหกนะไม่ใช่ไม่ใช่เขาพูดโกหกเองไม่ใช่แต่อ้างว่าคนอื่นพูดโกหกอันนี้คือความหมายของคำว่ามุกแคสซบถ้าเขาพูดโกหกเองนี่เราจะเรียกคนคนนั้นว่าก z ซาถ้าเขาพูดโกหกเองเข้าใจไหมครับ ถ้าคนคนนั้นพูดโกหกเองเราจะเรียกว่ากาซาหรือคาซิบแต่ถ้าถ้าคนคนนั้นอ้างว่าอีกคนหนึ่งพูดโกหกเราจะเรียกคนคนนี้ว่าโมคาซิบพวกกาเฟรเนี่ยอ้างว่าท่านนาบีนั้นพูดโกหกทั้งที่ท่านนาบีไม่ได้พูดโกหกแต่คนพวกนี้มันอ้างกล่าวหา ว่ท่านนาบีนั้นพูดโกหกเราก็เลยเรียกบรรดาคุเรชบรรดากาเฟร์ว่ามุกัซซิบเข้าใจไหมครับมุกัซซิบนี้เป็นเอกพจน์ถ้าเป็นพระหุพจน์ก็คือมุกัซซิบูนหรือมุกัซซิบีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าไวลุนยา้าม่อินลิลมุกัซซิบีนเข้าใจไหมย่างที่นี้ ความหยายนะในวันนั้นจะเกิดกับบรรดาคนที่กล่าวหาว่าท่านนาบีนั้นพูดโกหกนี่คือความหมายที่แท้จริงของอายันี้สุบฮานัลอถ้าจะมีอะไรที่พิเศษในสุรัตุลมุสลาก็คืออายัดนี้แหละเพราะอัลลอ์สุบฮานะวะตาอัลเน้นและก็ทวนอายันี้กี่ครั้งในสุรัตนี้ นับมาแล้วเหรอทำไมกลัวโดนถามใช่ไหมรู้แล้วว่าจะโดนถามออีกครั้งนะไม่ใจเหรอลองนับดูอีกทีนะคนอื่นลองนับดูไวลุนเย้ามาอีซินลิลมุคซิบีนเป็นการเตาบีเป็นการประนามเป็นการตอบย้ำว่าเนี่ยบรรดาคนที่กล่าวหา ว่ท่านนาบีพูดโกหกนี่ท่านนาบีจะพูดโกหกได้ยังไงพวกนี้มันก็รู้ว่าท่านนาบีนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่เคยโกหกตลอดชีวิตสี่สิบปีก่อนที่จะเป็นนบีไม่เคยพูดโกหกแล้วพออายุสี่สิบจะมาพูดโกหกเป็นไปได้ไงนะถ้าสองปีสิบปีสิบห้าปียังพอว่าสี่สิบปีไม่เคยพูดโกหกแล้วอยู่ดีๆจะมาเป็นคนพูดโกหกได้ยังไง พวกมันรู้ว่าท่านนาบีไม่เคยพูดโกหกแต่อยู่ๆพวกนี้มาพูดว่าโกหกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตาก็เลยต้องทวนในการประนานนะครับวัยลุนยุมาอิินลิลมุคิบีไอนะในวันนั้นจะเกิดขึ้นกับบรรดาคนที่กล่าวหาท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมว่าเป็นคนพูดโกหกอัลลัมนฮลิกออลีนะ อันนี้เป็นการขู่เป็นการเขาเรียกว่าเตือนแบบแรงๆ a ล l e นุ u ลิกินอาว w a l i เราไม่ได้ทำลายคนก่อนหน้าพวกเจ้าก่อนนี้ดอกหรือบบอันอวารีนก็คือคนก่อนหน้านี้ใครบ้างบรรดาพวก ที่ถูกทําลายประชาชาติที่ถูกทําลายก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่ประชาชาติของนบีนู่ประชาชาติของอาดซมูธอะไรอีกนะฟิรอ์อาพวกลูดพวกซาบะซึ่งบรรดาชาวกูรชเนี่ยรู้จักพวกดี้ดีนะครับพวกสามูธก็พ่านตลอดนะครับมาดะอินซอล่ะพวกซาบะก็พานซาบะที่อยู่เมืองยามันเพราะว่า นะครับชาวกูเรชเนี่ยจะเดินทางไปทามาค้าขายอ่านะอิลาฟิกกเรชอิลาฟิห์มร حلة ทั้งชีตว้วอาเวลาที่มีฤดูหนาวก็จะเดินทางไปเมืองเยเมนเพราะว่าเยเมนจะไม่หนาวเวลาถึงฤดูร้อนก็จะเดินทางไปเมืองชามไปค้าขายที่เมืองชามเพราะว่าเมืองชามจะไม่ร้อนนี่คือคนกูเรชนะครับเป็นพ่อค้าซึ่งเวลาเดินทางเนี่ยก็จะผ่าน ผ่านเมืองมาดาเอ็นของพวกนบีซอลแที่อยู่เหนือมดินะไประมาณสามรอยกิโลเมตรแล้วก็ผ่านเมืองซาบัผ่านพวกอาร์ตของอัลอคกฟนะครับที่เมืองเยอมันซึ่งคนพวกนี้จะรู้จักดีเพราะฉะนั้นอัลลอฮตเราก็เลยถามว่าอลเลมหนูเลิกิลอวารีนนะเจ้าไม่เคยเห็นหรือไม่เห็นร่องรอยที่อัลละฮฺละได้ทำลายประชาชาติมาก่อนแม่นี้หรือ ا ل أ و ل ي ن أ ل م ن วยไง أ ه ل ق ن ا ก็หมายถึงว่าประชาชาติหลังจากนั้นนะหลังจากพวกนูพวกไหนต่อนะพวกนู้ถือว่าเป็นอวบนเป็นพวกแรกพวกอาร์มาหลังจากนู้ก็ถือว่าเป็นพวกพวกอาร ถ้านับจากพวกนูเข้าใจไหมครับก็คือต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาไม่ใช่ว่ามีแค่พวกเดียวเท่านั้นที่ถูกทำลายไม่รู้กี่พวกที่อัลลอสุบบะวาทุกะาตอลลาทำลายฟะคุลเลนอะฮัซนาบิซัมบิอัลลอตะลาบอกว่าทุกพวกทุกประชาชาติอัลลอฮฺตะลาจะทำลายด้วยบาปของพวกเขาฟะคุลเลนอะฮัซนาบิซัมบิ ف ม ن ه م م ا ع ِ هاصلة บางพวกอัลลอตะลาส่งผิ อาจากท้องฟ้าว่ามินฮุมมันอาขัดทศไซหักบางพวกอัลลอฮฺส่งเสียงกำปนาดว่าว่ามินฮุมมันค้าศนาบีอัลลอฮฺบางพวกอัลลอฮฺให้ทรดีศูนเหมือนพวกลูบเหมือนการูมว่ามินฮุมมันอ غر กเนาและบางพวกอัลลอลาทําให้จนมน้ําอย่างเช่นพวกของนาบีนู่แลว้วก็ฝรั่งซึ่งจนมน้ำนี่คือการทําลายลา้าง ก อ, อนหน้านี้มาก่อนซึ่งประชาชาติก่อนหน้าท่านนบี m u h เนี่ยเป็นประชาชาติที่นะครับเขาเรียกว่าอัลลอฮรงตะลาทาลายแบบทันตาเห็นในขณะที่ประชาชาติของท่านนบี m u h a ท่านนบีไม่ได้ขอดุอธรอย่างนั้นอัลลอฮบอก่าท่านนบีไม่ได้ขอดุอารให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพวกอุเรชไม่มีแต่ว่าก็ยังมีการลงโทษแบบอื่น นะครับ نعوذ بالله من ذلك. سبحان الله นะครับทั้งๆที่คนเหล่านี้รู้ดีเราผ่านไปตลอดปีผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยไม่ใช่เฉพาะนะไม่ใช่เฉพาะที่อยู่นอกมักกะนะครับแม้กระทั่งในมักกะเองนี่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรได้ เ, เกิดเหตุการณ์อะไรในมักกะปีที่ท่านนบีเกิดเกิดการทําลายก อ, องทัพอัครา ที่อัลลอฮะอะลัยทำลายกองทัพอับราฮัที่ยกช้างกองทัพช้างมาที่ต้องการจะมาทำลายกะบะนะปฏิเสธอัลลอ์ต้องการทำลายกะบะของอัลลุบฮานะอลออัลลทำลายด้วยนกอบบาบีถามว่าคนกูเรชแล้วนี้เห็นไหมรู้ว่า น, นี่คือการช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุบฮานะอัละอฮที่ทาลายคนที่จะมาทาลายกะบะจะปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานะอัลลอฮฺแต่เขาไม่ได้รับบทเรียนอะไรสุบฮานอนะัลลอฮเวลาคนที่จะหลงทางเนี่ย ไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาเนี่ยได้รับห i d a y a ได้อีกนะอัลุบิลลัฮิมิญตัลิอันนี้แหละที่เขาบอกว่ามันหยุดลิลฮะลาโมดิลลัลละนะใครที่อัลลอฮฺให้ hidayah กับเขาก็ไม่มีคนที่ทําให้เขาหลงทางนั่วันนันหยุดลิลฮะลาฮะดิลลันะใครที่อัลลอฮฺจะประสงค์ให้เขาหลงทางก็ไม่มีคนที่จะให้ h i d a y a กับเขาอีกละล้ว و ل ا و ل า ق ะ ت ا إلّا بِاللَّهِ ก็จะลิกันนัาลูกิลมุจรีมีราวงให้ดีพวกกุเรชนะพวกเจ้ารู้แล้วเรื่องราวของคนที่ถูกทำลายมา่ก่อนหน้านี้นี่แหละแบบนี้แหละเยี่ยงนี้แหละที่อัลลอฮฺอาลัจะลงโทษบรรดาอาชญากรทุกคนบรรดาคนที่เป็นอัลมุคซิบินอัลลอาลใช้คำว่าอัลมุซิบนและก็อัลมุจริมีมุจรมีนี่มาจากคำว่ามุจริมอิจรม พวกก่อัาชญากรรมนะครับเพราะว่าพวกนี้นี <t> <Survey> <Z uk ha> ่เป็นพวกที่ไม่ใช่ผู้ปฏิเสธธรรมดาธรรมดาเป็นพวกที่ฆ่าคนที่ศรัทธาเป็นพวกที่ทรมานบรรดาผู้ศรัทธาใช่ไหมครับนะเป็นพวกที่มุ่งหวังจะฆ่าท่านนบีสุลต่านของอะเลวัลสัลลัมเพราะวนั้นไม่ใช่คนธรรมดาละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ปฏิเสธศรัทธาแบบธรรมดาธรรมดาละ ถึงแม้จะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ทันที่จะได้ฆ่าท่านนบีแต่ว่าวางแผนไว้แล้วเตรียมพร้อมมาแล้วมาล้อมบ้านท่านนบีสละสลักไล่ล่าท่านนบีด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเหมาะสมแล้วคําว่า المجرمين كذلك ن ف ع ل بالمجرين Allah ตาลาพูดอย่างนั้นและเหมาะแล้วอย่างนี้แหละจะละตาลาจะลงโทษบรรดาอาชญากรทั้งหลาย و ي ล يوم ม ذ ن المكذبين ما إجرأ منهم แทรกตรงนั้นอีกรอบหนึ่งว่าความหายนะในวันนั้นจะเกิดกับบรรดาคนที่เป็นอัลมุกซิบีอัลมนะขลุกกุมมิมมาอิหมฮีนหลังจากนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ยกหลักฐานอย่างที่บอกไปคนที่บอกว่าวันอาเครัตไม่มีจริงการลงโทษอ่อรัชบาลแต่อะไรไม่มีจริงการกําเนิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันอาเครัตไม่มีจริงอัลลอฮ์ تعالى ก็เลยตั้งคาถามว่า อัลมนัคลุกคุมมิมมาอมาฮีเราไม่ได้สร้างพวกเจ้ามาจากนั้นสุจิที่ไร้ค่าดอกหรือใช่ไหมครับเกิดมาจากอะไรพวกเราไม่มีใครอยากพูดถึงไม่กล้าที่จะบอกเลยสั่งไม่กล้าจะรำลึกอดีตอันนี้อดีตของพวกเราทุกคนนะใช่ไหมกล้ารำลึกไหม อดีตเคยเป็นอะไรม้านกนสุภาพล้วรไม่มีใครอยากจะพูดถึงอดีตเป็นอะไรที่ไม่มีค่าอะไรเลยอัลลอฮฺอักบารละฮาละลาอัลลตัสรลาบิลละแต่พอโตขึ้นมาลืมหมดลืมอะ่ล ะ, ละเราอะเคยเคยบนเคยบอกแล้วในสุรษยาซีนี้ไหมที่บอกว่ามนุษย์นั้นลืมว่าตัวเองถูกสร้างมาจากอะไรเนพอโตขึ้นพอมีความคิดดื้อได้ อ่าอะไรอีกปฏิเสธได้ س nah. al al al al ุ Allah ไ ta ม่ผลวะลกต Allah ท่านอัลลอลาบอกว่าเจ้านี่ถูกสร้างมาจากน้ที่ไม่มีค่าอะไรเลยฟจนาูฟีกรรมคิแต่ Allah ท่านอัลอเนี่ยเอาใส่เอาอะไรเอาเทคแคร์ Allah ่าอลอเทคแคร์เราแค่ไหน ตอนที่เราเป็นน้าสอซูจิเนี่ย Allah จะเทคแคร์เราแค่ไหนรู้ไหมเอาไปใส่ในที่ที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดกราริมมาคีนนี่คือคำพูดหรือสำนวนที่อัลกุรอานใช้กรอรเป็นที่ที่ปลอดภัยนะเป็นที่ที่กราริมมาคีนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเชื้อที่จะเติบโตมาเป็นทารกในคันของมันดา นี่คือเนตหมัดเขาเล่าสงคานะวะจ้าละไม่ใช่เอาไปฝากไว้ที่ถุงอะไรก็ไม่รู้นะไปฝากไว้ที่กอไผ่เดี๋ยบางคนนี่ก็บอกว่าปอะไรนะเด็กดื้อๆนี่ว่าเฮ้มันเกิดมาจากอะไรวะเนี่ยเกิดมาจากกอไผ่หรือเปล่าเคยได้ยินไหมชาวบ้าอครคนเฒ่าคนแก่ก็ชอบพูดใช่ไหมเด็กที่ดื้อๆนี่ยพวกที่ฟังพวกที่สอแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่มันเกิดมาจากอะไรวะเนี่ยเนี่ยเกิดมาจากกอไผ่หรือเปล่าเห็นไหม ไม่เพราะแต่เราไม่ได ar ้ไปฝากเอาไว้ที่จอมปลวกแล้วไปฝากเอาไว้ที่ไม่เอาฝากเอาไว้ที่สุพราณนัลนลนะีการอร์มเมคินนะครับเขาบอกว่าอะไรการอร์มเมคินมุตมัคินอีดะ ثبتة ورصقة เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเชื่ออสุชิอิลาคดริมมลูมและก็อยู่ในที่นั้นมีกำหนดเวลาด้วย กำหนดเวลาชัดเจนกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนนะฟกดรเฟนมัลกดิรนอัลลต่าลาบอกว่าเราได้กาหนดทุกอย่างให้กับมนุษย์คนหนึ่งที่กาลังจะเกิดกาห น, นดเพศกาหนดริสกีกาหนดอาอายุว่าจะมีเท่าไหร่ฟนมัลกดิรุนอัลลอฮฺุต่าลานั้นเป็นผูน้กาหนดที่ดีที่สุด มนุษย์ที่จะปฏิเสธ Allah ระลึกอดีตสักหน่อยก่อนที่จะปฏิเสธ Allah ก่อนที่จะปฏิเสธวันเกียรติเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใช้เวลาสักหกวินาทีในการระลึกอดีตเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเวลาที่หุนหันเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาคิดอะไรแบบไม่ทันคิดอะ่ะเขาบอกว่าให้ ให้เบรกสักหกวินาทีแค่หกวินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ลองลองดูไหมเวลาที่เราเล่นอะไรดีเล่นเฟซไม่ยอมหยุดอะลองใช้เวลาสักหกวินาทีคิดบางทีมันอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ภายในหกวินาทีสุฮานลละลอห์ไม่ยอมคิดไม่ยอมคิดอันนี้คือปัญหา ไม่ยอมฟังไม่ยอมดูและไม่ยอมคิดละหุมอุลูบุนละยักษะฮุนะบิฮะมีหัวใจแต่ไม่เข้าใจว ล, ว, วละหุมอาดานุนละยักษ์มาฮุนบิฮมีหูแต่ไม่ยอมฟังคำตักเตือนละหุมอัยยุนละยุบซีรูนะบิฮะมีตาแต่ไม่ยอมใช้ตาในการดูแล้วก็เอามาคิดเอามาใช้เป็นบทเรียนนี่คือมนุษย์ เพราะฉะนั้นไวลอนย่อมาอนุินลิล่มุคคณิบิสมละกับการประกาศของล่องสุครามตะลาว่าความหายนะจะต้องประสบกับบรรดาคนที่กล่าวเออว่าอัลกุรอานโกหกท่านรอซูลโกหกเพราะมันไม่ยอมคิดทั้งๆที่อัลตะลาบอกให้คิดอลลัมอลัมอลัมเนี่ยเป็นการตั้งคำถามให้คิดอลัมนูฮลิคิลอวลี อัลลอฮฺนกลุกุ ม, มิมมะอิมมะฮินนี่เป็นคำถามไม่รไม่ใช่ดอกหรือไม่ใช่ดอกหรือต้องการให้คิดอ่ะแต่ไม่ยอมคิดเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กล่าวอ้างแบบนี้เนี่ยไม่มีแล้วอย่างอื่นนอกจากไวลอย่างเดี ย, ดยกลุ่มอายัดนี้พูดถึงการสร้างมนุษย์กลุ่มอายัดต่อไปอัลลอฮนาจาริลอร์บกีเฟตาพูดถึงการสร้างที่อยู่นอกตัวมนุษรรย์ ตัวเราเองก็ต้องคิดเพาะาราสร้างมายัางไงถ้ามองตัวเองไม่ออกมองสิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวให้มองอะไรอนจิลเราไม่ได้สร้างแผ่นดินมาเป็นอะไรครับแผ่นดินกีฟกซากีฟ า, านี่หมายถึงเหมือนกับภาชนะเหมือนกับกล่องที่ใส่สิ่งของ แผนดินเนี่ยเหมือนกับที่ที่เอาไว้ใส่มีทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้าง อ, อาาุทยานวอตถุมงคลจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ตายสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกทั้งหมดเลยเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราก็อยู่ในโลกแล้วคนที่ตายไปแล้วล่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในโลกอยู่ในดินเหมือนกันออยู่ในดินอยู่ในกูโบ อ حياء นฟิดดูรนะท afsir ของอัสสดีบอกว่าอ حياء นฟิดดูร์ะอมวะน์นฟิลคุบู์สอดคล้องกันดีอ حياء นฟิดดูรคนมีชีวิตนั้นอยู่ในบ้านก็อยู่บนแผ่นดินอมวะน์นฟิลคุบูรบรรดาคนที่ตายไปแล้วก็มีบ้านเหมือนกันอยู่ที่ไหนบ้านของคนตายอยู่ในกุบูร์ใช่ไหมนะเราตอนนี้เราอยู่ใน เราอยู่ในแผ่นดินซึ่งในแผ่นดินเนี่ยมีอะไรที่มหัศจรรย์เยอะมากอาเชอลลอฮ์ทั้งหมดนั้นเกิดมาจากการสร้างของ Allah سبحانه และ تعالى ทั้งสิ่งว่วาเจ้าลนาฟีเฮราวซียชามิคาดแล้ว a l ล a h سبحانه และ تعالى ก็บอกพระองค์สร้างให้มีในแผ่นดินมีอะไรเพราะว่าสีราวาสีก็คือภูเขาที่มีรากฐานมั่นคงอยู่ในโลกรากฐานมั่นคง ยอดของมันนั้นสูงทำงานนี่คือภูเขาเห็นไหมครับเวลาที่เราไปภูเขาเดี๋ยวนี้ก็ชอบไปดูทะเลหมอกกันสวยไหมภูเขาะชอบขึ้นไปบนภูเขาแล้วไปดูทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม่คิดถึงอายัดนี้บ้างเหรือฮะที่ไหนที่บอกแล้วไปไหนก็แล้วแต่ต้องหาว่าอายัดในคุณอ่านอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เราไปไปทะเลมีอายัดอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับทะเล ไปดูต้นไม้มีอายะห์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ทำไมเราไม่หาอายะห์มามาประกอบมาเป็นแคปชั่นในไอของเราบ้างะ เ, าเดี๋ยวนี้มี IG จีมีเฟซมีไลน์แต่ไม่รู้จักที่จะใช้ i อใช้ไลน์เพื่อเพิ่มอิมาใช้ไอใช้ Facebook ในอะไร เดี๋ยวโดนเดี๋ยวว่าอาจารย์บนหล้วไม่เป็นไรนะครับเอาแค่นี้พอก็ได้นะครับนี่เปิดเขาเริ่มเปิดประเด็นเนี่ยบอกว่ามันใช้ประโยชน์ได้ใครจะไปรู้ว่าไอจีของเราจะทําให้คนอื่นเห็นว่าโอ้มาชะอัลลอฮ์เราคุณอ่านมันมีอะไรที่สุฮานัลลอฮ์มันมีเยอะจริงๆนี่ทําไมไม่เอาอันนี้ไปใช้อัลลอฮ์จะจาิลอร์ตกิฟะจะอาฮียะอโนอัมวะตะว่าจันาฟีฮาราวาสยาชามิควตน เราว่าเสียหมายถึงมั่นคงเชามีข้อหมายถึงสูงตระหนักภูเขาเนี่ยมีสองลักษณะก็คือมั่นคงแล้วก็สูงตรงนะหนอ่าักอ่าและอัลลอฮฺสุบัยาะฮฺตัลละนั้นให้พวกเจ้ามีน้ําดื่มที่ฟรุรอตหมายถึงน้ําจืดนะน้ําจืดที่ใช้ดื่มได้นี่คือฟรุรอ ฟร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อแม่น้ํำมีชื่อแม่น้ําอยู่แม่น้ําหนึ่งนะครับสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ําฟลอร์ดอยู่ที่ประเทศอะไรประเทศอะไรแม่น้ําฟลอร์ดถ้าบอกภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะรู้จักแม่น้ำฟลร์ดก็คือแม่น้ำยูเฟรตนะครับแม่น้ําฟลอร์ดแม่น้ำยูเฟรติสกับแม่น้ําอะไรนะอีกช่ีใครเรียนกฏอิศาสตร์บ้าง แม่น้ําไทคริสไทคริสยูเฟรติสฟลอร์นี่ก็คื อ, อยูเฟรติสหรือเปล่านะเป็นแหล่งอรารยธรรมเมโสโปเตเมียสมัยก่อนนะครับสมัยบาบิโลนสมัยบาเบลนี่คือฟลอร์ฟลอร์นี่หมายถึงน้ําที่เราใช้ดื่มได้ถ้าเป็นน้ําทะเลเนี่ยเป็นน้ําเค็มฟลอร์เนี่ยเป็นน้ําจืดนี่เป็นคําศัพท์ในในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺถ้าไม่มีน้ําจืด เราจะกินน้ําอะไรกินน้ําเค็มกินได้ไหมลองคิดดูไหมว่าทําไมน้ําฝนเวลามันลงไปน้ําไปเป็นมันลงไปในทะเลทําไมทะเลไม่ไม่จืดเห็นไหมมีเรื่องให้คิดเยอะมากเกี่ยวกับมรรคลูกของล่องสุภาองศาอะไรที่แสดงถึงความปรีชาสามารถของล l l a h แต่มนุษย์ก็ไม่ยอมคิดแต่ถ้าคิดแต่ถ้ามนุษย์คิดสักนิดหนึ่งเนี่ย เขาจะเปิดใจของตัวเองรับศรัทธาต่อ่องสมภารแต่อาไได้อย่างมั่นใจแน่นอนรับศรัทธาต่อวันอัคราได้อย่างมั่นคงแน่นอนอันนี้แหละที่อัลลลาบอกว่า ف َ س َ ب บ ح ْในสุรอะไรอ่านมาแล้วสุราอุลกลัมใช่ วตาลบอกอายะห์ของพระองค์ต um ่างๆว่างมาสุดท้ายาลาก็บอกว่าซบ์บิสมิรบบิกลอคนที่อ่านอัลกุรอานก็จะพูดคานี้ออกมาซุบฮานอัลลอฮ์คนที่อ่านอายะห์อัลลฮตาลาที่เห็นจากมักลุกทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะพูดคานี้ออกมาซุบฮานอัลลอฮ์มันจะมีผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้แน่นอนถ้าเรารู้จักคิด แต่ถ้าเราไม่รู้จักคิดมันจะไม่ออกมาดูอย่างเดียวไม่คิดไม่นึกถึงอัลลอ์มันจะไม่ออกมาคำนี้มันจะไม่ออกมามันจะออกมาแบบว้าวจะออกมาแบบเ ย, ย่จะออกมาแบบแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่เป็นประโยชน์ใดใทั้งสิน้นถ้าจะให้ออกมาแบบสุบฮ่าอัลลอฮ์ฟักินาอซาบันนาเนี่ยต้องคิด และต้องนึกถึง Allah ต้องรวมระวนฟิกครกับซิกิรนะบอินนฟลกิสมาวะนี่ท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่านนบี iy, สอนให้เราไม่ใช่ท่านนบีอัลกุรอานสอนให้เรามีชีวิตแบบนี้มีชีวิตแบบฟิเครและมีชีวิตแบบซิกริรนะถ้าถ้าจะพูดถึงความหลงของส ورة อัลมุซัมมิลก็ยังได้ที่เราเคยพูดว่าเวลาที่ท่านนบีตื่นขึ้นมากลางคืนจะละหมาดเกว ม, มลไลเนี่ยท่านจะอ่านอายะห์อะไร จำได้ไหมายะในสุโรอะไรสุโรอัลอิมรันนะสุโรอัลอิมรันที่ึ้นต้นด้วยคาว่านะอายะที่เท่ในี้สุโรอัลอิมรันก็คืออินน์ฟี خلق السموات والارض وقتيلة في الليل و النهار لا آياتين لوللألباق ก่อนที่จะทาอย่างอื่นทั้งสิ้นเนี่ยให้ดูท้องฟ้าก่อนให้คิดก่อนก่อนที่จะจิเคิลต่อพระเจ้าในลามะนี่ให้คิก่อน เรียกความรู้สึกมาก่อนให้เราผูกพันกับอลัลลอฮ์ทรงตาอัลาด้วยมรคลูกของพระองค์ก่อนแล้วก็เอาซิกเก็ตมาหลังจากนั้นผูกระหว่างอายะที่เป็นมรคลูกของ Allah กับอายะที่เป็นอัลกุรอานของ Allah สร้างหัวใจให้เราผูกพันผูกโยงกับอลัลลอฮ์ทรงตาอัลาและมรคลูกของพระองค์เพราะว่านั่นแหละที่จะเป็นพลังให้กับหัวใจของเราให้กับพฤติกรรมและกัการขับเคลื่อนของเราทั้ง การกับเคลื่อนในระดับปัจเจกบุคคลในระดับสังคมและก็ในระดับโลกที่เรากำลงจะปะทะต่อสู้กับศัตรูของ Allah Subhanahu Wa Taala เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสุราห์ น, นี้ไม่ได้พูดมากพูดสองสามอย่างแค่นี้แหละไม่ได้มีรายละเอียดเยอะเหมือนกับสุราห์สุราห์นับะอาจจะเยอะว่านี้ได้ซ้ำไปแต่ว่าเราทั้งหลาต้องการที่จะตอกย้ําลงไป สำหรับคนที่ไม่ยอมศรัทธานี่ว่าทำไมมันไม่ยอมศรัทธาก็เลยตอกย้ำไปเลยนะครับด้วยการพูดให้ชัดไปเลยว่าไว้ลุนเยาวเมอิซิลลิมคาซิบีสำหรับคนที่กล่าวหาว่าท่านนาบีพูดโกหกนะั้นคงไม่มีนะไม่มีผลตอบแทนตื่นที่จะเหมาะสมไปกว่าไวนะ้ความหายนะนะความพินาศที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาคนเหล่านะั้นนะอูซุบิลลาฮ์มิลเะนะแล้วครับ الله الله على ا, الله إ ل ل ه تعا a l a علَمُ ص َ ل َ ى اللَّهُ َ ل َ ن َ ب ِ ي ّ ن َ ا م ُ ح َ م َّ د وَعَلَى آَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ و َ ف َ ق َ ن َ اللَّهُ أَيَّكُمْ لِمَا ي ُ ح ِ ب و َ ر َ ض َ ه ُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ا ل ْ ع ِ ز َ ة أ َ م َ ا ي َ س ِ ف ُ و ن َ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ر ب ا ل ع ا ل م ي ن س ل ا م ع ل ي ك م ر ح م ة ا ل ل ه و ر َ ت ه